ถามการค้มกันเนิรดในปัจจุบันมีหลายวิธีมีทั้งยากินยาฉีดและยังมีการใช้ห่วงอนามัยใส่เข้าในโพรงมดลูกเพื่อเป็ น, นกลไกทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ไม่ให้ตัวอ่อนฝังตัวถ้าเราคิดว่าตัวอ่อนนั้นมีชีวิตแล้วการที่แพทย์ขัดขวางไม่ให้ตัวอ่อนฝังตัวได้จนตัวอ่อนต้องตายไปจะเป็นปาณาติบาตหรือไม่ นี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีการประชุมขององค์ประกอบทั้งสามแล้วก็ถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นแล้วการขัดขวางไม่ให้ที่อาศัยก็เป็นการไปพากหรือทําลายปัจจัยฝ่ายอุตโตนิยามทั้งที่ปัจจัยฝ่ายพีชานิยามและฝ่ายจิตตานิยามก็พร้อมแล้วเมื่อไม่ยอมให้มีปัจจัยฝ่ายอุตโตนิยามมาช่วยก็เลยทําให้ชีวิตสืบต่อไม่ได้ถ้าทําให้ชีวิตนั้น สืบต่อไปไม่ได้ด้วยเจตนาก็ย่อมเป็นปานาติบาต